จะสุขีใหม่แล้วอัน <laughs> นี้เปนที่แนอกกาาตทกลาสองพราีแล้วมันย่เลยทำไงจะใ ห, หม่ใ้ชีวิตเราด้วย ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมท ำ, ทำยังไงมีเกณฑ์สักสองอย่างคีบตัวครามช่วไม่เท่าใดกพยายามลนะให้ทำเกรงดีไม่เท่าไรกพยายามทำสักสองอย่างนี้ น, ะนับรองว่าใหม่จริง ที่นี่มีทีปฏิบัติทำอย่างไรก็นี้อนจอกกรรมฐานเราศักดิ์สิทธิ์ถ้าเรามีสติมันก็เล่ความชั่วแล้วถ้าเรามีสติมันก็ทำความดีแล้วถ้าเรามีสติคิดขบาบริสุทธิ์แล้วตบุญเจ้าจึงว่าทำ อันที่ทำให้ไม่ตรำหมาดคือสตินี้ใหญ่อยู่ที่สุดเหมือนรอยเท่าของชา้างใหญ่กว่าร้อยเท่าสัตว์อื่นร้อยเท่าสัตว์อื่นมารวมน้องที่ร้อยเท่าของชา้างลงได้ทั้งหมดเลยครงสอนของคุณเจ้ารวมลงที่นี่ึงียกชื่อว่ากรรมาฐานสัสิจ เปียนน้ยเป็นดีได้เนี่าเรีว่าพระพุทธเจ้าก็ตัดไปทุกอย่างเพื่อให้สะดวกแก่ผู้ที่พก้ขัดทำตามคำสอนของพระองค์ไม่มีอะไรสะดวกไปกว่าการมีสติ ความหลงไปสะดวกเลยความรู้สึกตัวสะดวกที่สุดแล้วก็จะเป็นนักลุกก็รู้จักสมองรูปวมในสนามอย่างช่ำชองก็สะดวกถ้านักลุกได้รู้จักสมองรูปปี ก็ไม่มีทางเพื่อได้เรียกว่าชัยภูมิที่ดีนี้สติเห็นกายเห็นใจเห็นรูปเห็นนามตามความเป็นจริงพื้นที่นี้ยึดได้ไหอก <c oughs> ว่าไม่เป็นรูปเป็นนามนี่เรียกว่าชัยภูมิของนักพรตของผู้ปฏิบาาัติธรรม เพื่อนะควงทั่วทาบุญีได้สะดวกอะไรที่มันเกิดจากลกูกจากนามอะไรก็ตามมันต้องมาเกิดอยู่บนนี้บนลูกทำนามทานี่สติจะเป็นผู้เห็นทั้งหมดเลยเหมือนโจทีวีที่มีข่าว าเราเทียวทั่วโลกมารวบรองที่จอทีวีเราก็เห็นหนะทำใดก็ดีแต่ทำทั้งมวนทั้งหลายมันไม่ต้องไปดูที่อื่นว่าจะมีสติเหมือนคนมีอยู่นอกโลกที่มีชัยภูมิที่ดีข้อที่สองนักโลก ลูกจบขันห้าตามความจริงเื่อไม่เที่ยงกันตุกมาเชื่อตัวตนลูกก็ไปเที่ยงเรทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงสามขามก็มาเที่ยงมีจารก็ไปเที่ยงลูกปองมาใช่ตัวตนเรทนาก็มาใช่ตัวตนสัญญามัใช่ตัวตนสองขามมีจารมัใช่ตัวตน ได้เป็นนักล like, like to ูกยิงได้ไกลแล้วถ้าร okay. ูปอย่างนี้ทะลุทะวงไปไกลเนื่อรู้รูนื้อรู้รู้ดังแล้วกู้ขันหน้าไล้แตู่้ไปไกลเหมือนนักลูกที่ยิงได้ไกลที่สุดผู้ปฏิบัติธรรมเน่ยเหมือนกับเคื่องบริจิจริงนะเห็นขันหน้าตามความจริงไปไกลทะลุทะลวงไปไม่มีอะไรของกันได้อาจจะสุดเลยก็ได้ แต่มันไปแล้วยิ่งไปก่อนแล้วเราก็เลยรูปตามไปง่ายขึ้อนอะไรเมื่อเกิดจากรูปจังน่ามีแต่ความไม่มเที่ยงมีแต่ความไม่ใช่ตัวตนต่างๆนั่นก็ทําให้เรดสะดวกความปัญหาทําให้เกิดปัญญาความยากลำบากทำไมเราสะดวกมันสะดวกตรงที่มันยาก มันจะดวกตรงที่มันมีปัญหามันจะวกตรงที่มันเต็ดทุกนี่เรียว่ายิงได้ไกลมันควีทา้องแล้วนักรูปประเภทเด่นที่หนึ่งคือยิงได้ไวและแม่นยำทั้งบ่อยทั้งแม่นยาด้วยคือเห็น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 เห็นมันโกรธไม่เป็นผู้โกรธพ้นจากความโกรธยิ่งไม่ไหวเรวไว้แม่นยำไม่เสียเวลาทรงนี้เลยเวลามันโกรธเห็นมันโกรธไม่เป็นผู้โกรธพ้นจากความโกรธแนงที่สุดเลไม่จะมีสตูที่ไหนหรือเป่าอันที่สี่ กำลังผลน้อยแต่ปราบภ้าสิกได้มากคือทำลยอยอาวิชาเป็นวิชาได้เปลี่ยนได้มันเป็นทางแต่เปลี่ยนครบหลงแต่ก็ไม่หลงกำลังผลน้อ ย, อยล้วเนี้เมื่อไม่หลองอะไรพีขืนได้ทำลอย ข้าเสื่ได้จำนวนมากถ้าจะเปนถ้าจะเปรียบเทียบพวกเรปฏิบัติมันจะถกจริงๆพระเจ้าว้ตัดเราวนี้จะพิถกต้องหล่อนักรบสีประเภทคือกระกาฐานทีเองอยู่ในกเมืองนี่แหละถ้าผู้ใดจะเจริญสติเห็นรูปเห็นนามเห็นขันธ์ตามกฎเป็นจริง เห็นอริสัตตามความเป็นจริงเห็นสังขารเห็นวิสังขารตามความเป็นจริงมันหนีไม่พ้นที่ว่าไม่มีแค่ก็เรื่อกันมีทางชนะได้อย่างเดียววิชัตาไม่มีแค่ผู้มีสติปิดอบายภูมิได้เหตดขาดมั่นใจ เราเห็นมันอยู่นี่ถ้าเห็นมันก็หลุดพ้นแล้ว อ, อะไรที่มันจะมามันก็ทำให้เราเห็นหมดเพราะมันเป็นสติอินสรีใหญ่กว่าตากว่หูใหญ่กว่าจมูกลรือนกาใจใหญ่กว่ารูปรสกลิ่นเสียงอารมณ์ต่งตาง ถ้าเป็นสติสีสติปัฏฐานแล้วข้ อ, ของที่จุดเลยจะเรียกว่านรบสีประเภทก็ได้จะเรียกว่าศิลปะอะไรก็ได้ชำนาญศือป์ดีจําชำนา น, า น, านไม่มีสิ่งไหนที่ตกก็ไทุกนรู้แล้ว เหตุที้เกิดทุกข ท, ทําแล้วละแล้ววิธีที่ ท, ทาให้ดับทุกข์ได้ทาเป็นแล้วทาได้แล้วแล้วก็พ้นจากสิ่งนั้นพ้นจริงๆทำไมจิตมันพ้นเราเห็นเหมือนเราเห็นงูเนี่ย่าเราเห็นงูหมูบรรกาศเราโลเจนี่ตาเถอะตาในมันโลภกว่าดัาน ล้อปวดตาหน้าคือหน้าโลกอสติเป็นหน้าโลกเหมือนพระขี่หนศ้ศุภผู้มีสติเป็นม่ได้พระขี่หนาศุภคือพระอราหันต์ท่านเไม่ใช่อะไรมาวัาดกันไม่ใช่รูปออกแบบตามัดกันชื่อเสียงมาวัาดกันอันเดียวกันทั้งหมดสติ แม่เราปฏิบัติเริ่มต้นก็เหมือนกันเก้าแรกเหมือนกันหมดมีสติเหมือนกันหนดเปียหลงเป็นลูกเหมือนกันหมดเก้าแรกเหมือนกันแต่ท่ามกลางอาจจะไม่เหมือนกันบางคนก็หลงแล้วหลงอีกบางคนกุนง่วเหนาะนอยบางคนก็ไม่ง่วงบางคนก็ไม่หลงสิงที่เราหลงเขาผานกันแล้ว สิ่ที่เราโน้มน้อมนอนเชบดนิวรณ์กาทำเขาผ่านไปแล้วที่มันเคยขวางกั้นเขาข้ามไม่ได้แล้วเอาไม่จะจะต่างกันตรงนี้ท่ามกลามแต่จุดหมายปลายทางเหมือนกันหมดจุดหมายปลายทางเหมือนกันเมือก่อเกิดเกิเจ็บตายคือปลายทางไม่เป็นอะไะเพราะมีนจะเหยียบย่อมของคนแล้วโดยไม่เปเลี่ยนอะไไม่มีอะไรให้เป็นดี ถึงปลายทางได้ <c oughs> แนโลกปัจจนาแล้วศานาแล้วคิต่งเมยคิต่งเมเหมือนคนสีเสืออยู่หน้านสวนป่าเล ย, ลยเลยละยะกสวนธํรเลยเลยยะกับคิต่งเมย์ลปลายทางไม่มีอะไรที่ต้องเค้ อ, อีกแล้วเห็นหมดแล้วอะไรที่ได้ได้เห็นหมดแล้ว นี่คือลักษณะของการปฏิบัติเป็นการตอบได้ด้วยทุกคนเรียกว่าปัจจตังเลยที่แต่ปู่อยู่อิจิตเป็นอย่างนั้นจริงๆแม้แต่เรามีสตินม้แต่เราเปลี่ยนลูเป็นลูกแม้แต่เราเปลี่ยนรูปเป็นลูเปลี่ยนโขดเป็นลูกนี่คือสติเป็นอย่างนี้ไม่เช่ท่องจำ ไปทำทำกับจริงเหล่านี้แล้วงานของติเปลี่ยนหลงเป็นรู้งานของติเปลี่ยนทุกเป็นไม่ทุกงานของติเปลี่ยนโปวดเป็นไม่กวดงานของติเปลี่ยนน้อยเป็นดีทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับบ้ายกับแเราเนี่ยมันน่าจะคัดหยันนะนี่แหละพรติใหม่ทพรคืออย่างนี้คือเป็นท่า ค, คือความดีอย่างนี้ มันมอยู่ที่เราเนี่ยหม่เอี่ยมจริงๆนะเห็นนี่ใหม่นเป็นไม่ใหม่กับเก่านะ้เป็นศุขก็เก่าไปแล้วเปิดเพื่อนไปแล้วเป็นทุกข์ก็เปิดเพื่อนไปแล้วเป็นผู้หลงเป็นผู้ผิดก็เปิดเพื่อนเป็นผู้ถูกก็เปิดเพื่อนเป็นผู้โสมก็เปิดเพื่อนเป็นผู้พุ่งร้องก็เปิดเพื่อนจัตตมันจริงเป็นซื่อไม่เป็นยะงไะ มันไม่เื้อเพื่อนอยู่กระตือใจนะบริสุทธิ์ปริวงซึ่งจะเห็นเนี่ยไม่เพื่อนนะการเป็นนม่เพื่อนนะเป็นไม่ได้เดขาดท่านนิจเตนะยกระตือดล้นตรงนี้เหมือนไฟตรงเท้าก็ปัดออกทันทเหมือนจริงไลมาถูกปกก็เช็ดออกทันตีเอาทิ้งไม่ได้กระตยิ่งขวดนั่นอี บุญเจ้าจเปรียบเทียบเหมือนจิดามานน่ะเหมือนพ่อแม่สติเนี่ยดูแลอยู่ทุกโอกาสปฏิบัติธรรมคือมันไมดูแลชีวิตของเองเนี่ยไม่ดูแลกายใจไหให้มันสวดไทยจากตัณหาจังกมันจะเห็นความหลงกู้คู่กับความไม่หลงซื่เลือยน่ะเป็นอย่างนี้ เิีอยากเกิดท่าทอยมันนานเรือเกินเรืเ่องเลยแอยากให้เราที่สู่รองดูการที่ถู่ตรงนี้ไม่ใช่เอาออจิงเอาจนจนหน้าดำทับเครื่องไม่หลับไม่นอนไม่กินข้าวไม่ทำอะไรไ่พูดไมนจาไมา่ไม่ใช่ความรู้สึก <c oughs> ทั่ว ค, คือควารู้สึ ก, กทั่วไมอยก่ยกับการพีการอือน ว่าอะไรก็ได้เล่นก็ดอะไรก็ได้ท่านเองคงรู้สึกตัวน่ไม่ไม่จบหัวแร้งไม่เป็นเรื่องจบงูกาไม่เป็นขาอันชื่อว่าคงรู้สึกตัวอยู่ที่ไหนคือคงรู้สึกตัวอยู่กองทานน็มีคือคงรู้สึกตัวอยู่กับบัณฑิตก็คือคมรู้สึกตั ว, ต ว, บบตวจึง เป็นธรรมที่คุ้มครองโลกกับบาลยิ่งใหญ่ข้ามจูนโลกเพราะมันอันเดียวตระหักไม่เกี่ยนเตก็นหืื น, น, น, นมั่คนคงแลถ้าเราได้มีถ้าเราได้มีสติแล้วถ้าสติล้วเป็นปัจานจริงๆมันจะรักษา ทำย่อมสาทูกผู้พิชธรรมให้ตกแต่ในชั่วูพิชธรรมย่อมอยู่เป็นสุขเป็นไปเองมาช่วยเราเม้าไว้อะไรเกิดขึ้นกับใจเกิดสติมาไว้โคนอะไรทุกสิ่งเลยหรือว่าสติ ป, ปัฐานมาไหวไหมเหลียวไวยคนทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วพอช่วท้คนดีบวริสุดแป๊บเกียวเดีย ว, เ, ย ว, เ, ยวเป็นกรรมที่จักฉีกขงมัทฐานเนี่ยที่ส่วนตัวาตามีความรู้ไอู้ชื่อๆนะวางทีไปแท่งเาจนจ้องจนเครียดจนง่วงจนเบืเบ่อก็มี ไม่ใช่กระทาถูกมันจะไม่มีอะไรนอกจากมีรสชาติเมื่อกระทมย่อมเทนะรสต้องพวมลูดซื่อๆนี่ยมันไม่มีรสอะไรที่เปรียบเทียบกัอันเก๋ออันเค็มมันหวานอันเปรี้ยวมันไม่ซื่อๆมันมีรสช่ติอันขว้าอันลูดชื่อๆมันไปตรงๆรง บ่ได้สัมผัสกับวาตถรูดซื่อเลยโอ้ยพอจมีคนม่ครูสอนหลงคนแรกคือหลงเ้เกียนเน่รูดซื่อๆคิดถึงรูดเมี็รูดซื่อจืดไปเลยคิดถึงคนที่เคยโครน้าเบียดเนเรารู้ซื่อชิ่นกรรมจริงล้างบาปล้างกรรมจริงต้นกรรมจริง ว่ารูดชื่อๆน่ยมันหลงก็รูดชื้นๆมันไม่หลงมันรูดก็รูดชื่อๆมันฉกก็รูดชื้นๆมันทุก็รูดชื่อๆเลยไม่มีค่าเลยสุดๆทุกๆเ่ยไอ้มันไม่ยอมเกิดขึ้นเอนต้นห้า้นหนาหน่แปดรูดชื้นๆไม่มีค่าเลยไม่มีรอยถ้ามีรอยมันก็ไม่ชื่อแล้ว จบ ก, ก็พอใจทุกข์ก็ไม่พอใจมีหลอดไม่ซื่อแบบนั้นค้งไปแล้วสร้อยไปแล้วหัวไปแล้วน้ำก็เทียนพูดแบบรู้ซื่อๆเรามาทำํำรูเป็นเป็นรถเส็นชาติเพียงเป็นเสียงพูดเอามาทําให้เกิดรถเกิดชาติทําไม่เห็นได้สัมผัสทําพูดได้สัมผัสได้ สมถัดกับอบทมผู้มืองปฏิบัติจนสมถัดได้ไม่ต้องมีคําถามตรงนี้เลยแล้วความหลงกับพวาไม่ลงมันเป็นอย่างไรมันรุ่ช ง, นนงชื่อๆมันก็ชื่อไปตะกี้กือไปเอาอดัมไปหลังอดีตไปหลังอดุจชื่อมันไปไปนะั้นไม่ใช่มันหยุดนะ มันผ่านนะรู้ชื่อๆมันแล้วแล้วถ้าหลงรู้ชื่อเพิ่มหลงกันแล้วไปแล้วถ้าจะเป็นคนถ้าจะตีเหมือนกับการทํางาน็บ เ, เหมือนกับเขียนการเกี่ยวข้าวรวมหลงเหมือนกับต้มข้าวรู้ชื่อ ๆ, ๆเกี่ยวไปแล้วหมดไปแล้วหลงที่ใดรู้ชื่อทุกที่ใดรู้ชื่อ รวมหลงหมดไปหมดไ ป, ดไปความสุกข์หมดไปหมดไปความโกรธหมไปหมออดไปไม่รู้ซื่อชื่อนะถ้าสุขถ้าโกรธเป็นผู้โกรธต้องเปลี่ยนความโกรธต้องสู้ความโกรธไม่ใช่รู้ซื่อชื่องานนี้เสร็จเป็นการว่างง่ายๆนะปฏิบัติธรรมไม่น่าจะยากนะเพื่อท า, ามกลางจะต่างกันตรงนี้ แค่ความถูกคม่าไม่ม่าอะไรก็ไปเดนะ้งางานมันบอกเจงตัวไขรตัวมันไม่ค่อยการรู้ได้แต่แต่เจงแต่เพื่อนกันเพื่อนกันเป็นสา ค, คนรวมรู้ชื่อชื่ อ, อไม่ใช่เป็นหริงไม่ใช่เป็นชายแค่ใช่เป็นคนหนุ่มคนสาวเป็นเพศเกันวัยกุ่นที่นี่ค่รู้ชื่อชื่อตัวเน่ จี่มาเร่มต้นก็ถออพวกเราที่ใหม่ที่นี่เอาพ่จิตรลดูขอให้สถานนี่เป็นที่พิสูตร์ก็นี่รองดูนไม่ใช่อยู่ที่นี่ก็ได้ถ้าจะดับจกนี้กปแล้วประำที่ไหนก็ได้ทํายจะพาน มันจยู่กับเราแล้วรู้จักใยภูมิแล้วแม้จะนั่งโลกกี่ประเภทแล้วรู้จักเว้ากันมารู้จักขันท่าอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่เราเนี่ยจุกทุกเป็นขันท่าจําอะไรมาตีอะไรมาเป็นขันท่าว่ามันไม่เที่ยงมาใช่ถูตนไปได้รื่อย มีปัญหามีปัญญาโมโภมันคู่กันปาปมันก็มีทอนชนะนะมันเกิดให้เราเห็นอยู่ไม่ใช่รีไม่ใช่แล้วถ้าเป็นควา ม, ถ, าวามวถ้าเป็นความสุก็ไปเชลี่แล้วถ้าเป็นความสุกก็ไม่รีแล้วมันมาแบบงง้อและเป็นจิตีก็เชิากขัวเชิงเชื่อเหนือขวั ทำไมจะไม่ชนะจาผัดดูก็ตาเปลี่ยนแต่แอม <c oughs> นอกีก็ก็ว่งอยูแล้วไม่เลยไะกัดจหมัดกัดปันชู่จนเหมือนกัดยอเข็นโคกขึ้นเขาม่นใช่เป็นยังงมันง่ายเหมือนเข็นคุกลงเขาคองดีพราะรู้ชื่อๆเนี่ย เห็นไม่เป็นมาง่ายระบายสะดวกที่สุดไม่ต้องกระดุกกรดีก็ได้โดยช่วยเห็นความคิดเนี่ยจะหมดปัญหาก็ตรงเห็นความคิดจะเปลี่ยนชีวิตได้จะมีชีวิตได้ก็เมื่อเห็นความคิดชัดเจนจนควงคิดที่ใบตั้งใจล้มละลายจนสิ้นสาบไปเลยได้ว่าชนะสิทธิคิดว่าได้ เอาต่อไปนี่จะไม่เอาขายเอาลกูกมาเป็นสุขเป็นทุกข์จะไม่เอากิจเองใจมาเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่เอาชี้ิตไปห้อยไปแขนไม่อีกต่อไปแล้วหรือกันแน่วะเนี่ยนี่เห็นความคิดนหรอี่กว่าอาการดับไม่เหลือแห็นนา ม, มาลกูกผู้ได้เห็นอย่างนี้มีชีวิตเดียวมันเดียวเปิดเสือกัวผู้มีชีวิตน้อยที ม็มันมีชีวิตตรงนี้แต่ก่อนตรงอื่นไม่มีชีวิตเลยรวมทุกขาขัพรมาได้ชิตจริงได้ตรงนี้ไม่เป็นอะไรกับอะไรอีกแล้วแบบนี้ควจะเป็นสมบัติของม น, นุษย์ิปขานสมบัติอะไรก็ว่า น, านิพพานตรวจนั่งองนิพาน แต่ว่าเราไม่อนเป็นจุมไยลาปทานแ่้แต่วลานกล่องลูกโกบินิพานื่นน่องจะมักจะพ้นร่ากายจนทั้งกายทั้งใจมาดีมันน่งน้องป้องตร อ, องกันไป พระตามชัยมีสุขประการะทางกายใจถึงมรรคนี้ผ่านเลยมีการฮา